ก็เกิดอาการขนลุกขนชันแสดงถึงความสโยดสยองให้เห็นอยู่ตลอดเวลาประเด็นหนึ่งเป็นการตอกย้ําแล้วก็ยืนยันให้เห็นเด่นชัดว่าพวกเขาเหล่านั้นได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงขวัญดังกล่าวมาแล้วจริงๆหลังจากตระเวนสอบถามชาวบ้านถึงความสะพรึงกลัวต่างๆเกี่ยวกับบ้านกระตุกขวัญหลังนี้ในบริเวณใกล้เคียงแล้วนะคะ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 ต่างก็ยืนยันนะคะว่าร่างทั้ง3ที่ปรากฏกายในบ้านกระตุกขวัญหลังนี้ในยามวิการมันช่างเป็นภาพที่สร้างความสยองขวัญให้กับผู้พบเห็นได้อย่างมากมายสเสลือเกินค่ะมีเรื่องราวอีกเรื่องราหนึ่งที่เราจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันซึ่งเรื่องนี้หญิงสาวใบหน้าหวานซึ่งเป็นเจ้าของประสบการณ์เรื่องนี้พยายามบอกตัวเองหลายครั้งค่ะว่าสิ่งที่เธอได้ประสบมาในครั้งหนึ่งของชีวิตนั้น มันก็คงเป็นเพียงความฝันอันสุดแสนหน้าพรั่นพริงเท่านั้นแม้ว่าเธอจะใช้ความพยายามสักแค่ไหนก็ตามก็ไม่อาจจะหลอกตัวเองได้สําเร็จนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอในค่ําคืนหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เองมันเป็นเรื่องจริงเกินกว่าจะพลิกผันให้กลับกลายเป็นเพียงความฝันไปได้ภาพที่เธอเห็นเสียงที่เธอได้ยินกลิ่นที่เธอได้สัมผัสเมื่อตอนกลางดึกสงัดภายในห้องพักที่เธอพำนักอยู่มันเป็นเรื่องราวที่ชัดเจน เต็มลูกกระตาของเธอจนไม่อาจจะปฏิเสธเป็นอื่นไปได้เลยค่ะและมันก็เกิดขึ้นขณะที่เธอยังมีสติสัมปชัญญะอยู่เต็มร้อยเหตุการณ์สยองขวัญที่นำพาไปสู่ความน่าสะพรึงนี้น้องปูหรือว่านางสาวพาวินีลาภปัญญานักศึกษาสาวสวยของวิทยาลัยพาณิชแห่งหนึ่งนะคะได้ประสบมากับตัวเองแล้วก็เป็นประสบการณ์ MS ที่น่าสะพรึงกลัวทาให้เธอไม่สามารถลืมได้ชั่วชีวิตค่ะเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านพักพนักงานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้กันกับโกดังเก็บของที่โรงงานบริเวณกิโลเมตรที่18ถนนบางนาตราดกรุงเทพค่ะซึ่งขณะนั้นน้องปูก็ได้อาศัยอยู่กับครอบครัวโดยคุณพ่อของเธอทำงานเป็นพนักงานโรงงานดังกล่าวบ้านหลังนี้ ครอบครัวของน้องปูก็ได้อาศัยอยู่เป็นเวลานานพอสมควรแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เคยมีปรากฏการณ์แปลกๆอะไรเกิดขึ้นโดยเฉพาะภายในห้องนอนที่เธอแล้วก็พี่สาวก็คือคุณสายชนลาภปัญญาค่ะที่อยู่ร่วมกันโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อถึงคืนหนึ่งคืนที่ทำให้เธอต้องพบกับเรื่องราวประหลาดล้ําที่มาพร้อมกับรติการเงียบงนัน คืนนั้นก็เหมือนกับทุกๆคืนนะคะคือหลังจากที่น้องปูเองก็จัดภารกิจส่วนตัวเสร็จสิ้นเธอก็ได้เข้านอนตามปกติเมื่อเวลาราวห้าทุ่มเศษเพียงไม่นานนะคะ่าคุณสายชนพี่สาวของเธอก็หลับสนิทส่วนน้องปูนั้นก็นอนคิดอะไรเรื่อยเปื่อยไปกว่าจะเคลิ้มหลับได้ก็ปาเข้าไปหลังเที่ยงคืนแล้วน้องปูหลับสนิทรวดเดียวโดยไม่ฝันอะไรเลยค่ะจนกระทั่งมารู้สึกตัวตื่นอีกครั้งเมื่อเวลาประมาณตีสี่ด้วยสาเหตุก็เพราะว่า ตัวของน้องปูเองเนี่ยได้รู้สึกว่ า, าตัวเองสัมผัสถึงการปรากฏกายของใครบางคนภายในห้องนอนของเธอโดยที่ผู้เป็นพี่สาวไม่ได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาด้วยเลยนะคะพี่สาวยังคงหลับสนิทค่ะแม้ว่าการปรากฏกายของใครคนนั้นจะมีเพียงเสียงบางอย่างดังขึ้นจนปลุกให้กับน้องปูต้องตื่นจากผวังก็ตาม เสียงนั้นมันดังคล้ายกับมีเสียงคนเดินอยู่ภายในห้องไม่ห่างจากบริเวณที่ของเธอที่เธอนอนอยู่เท่าไหรนักน้องปูสะดุ้งตื่นเพราะว่าเสียงเดินที่ดังขึ้นไม่ห่างตัวแล้วก็ในทันทีที่เธอปรือตาขึ้นมามองนะคะเธอก็ได้พบกับภาพของหญิงชราคนนึงเดินเข้ามาในห้องนอนของเธอท่ามกลางความสลัวรางของแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาภายในห้องค่ะ หญิงชราผู้มาปรากฏท่ามกลางรติการที่น้องปูเห็นนั้นอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกับคนแก่โดยทั่วไปในสมัยก่อนก็คือการแต่งกายอยู่ในลักษณะนุ่งจงกระเบนสวมเสื้อคอกระเช้าตัดผมสั้นรองทรงแบบชาวบ้านที่อยู่ตามชานเมืองหรือว่าชนบทนะคะแกก็ทำท่าด้อมๆ ม, มองๆก้ ม, ม, มๆเงยๆแล้วก็เคลื่อนย้ายไปมาในระยะแคบๆแต่ก็ยังคงอยู่ในตาแหน่งที่น้องปูสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้ว่าในขณะนั้น ตัวของน้องปูเองจะรู้สึกตกใจแล้วก็หวาดหวั่นต่อภาพที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาจนถึงกับเนื้อตัวสั่นนะคะแต่ว่าตัวของเธอเองก็พยายามรวบรวมความกล้าเท่าที่มีอยู่นะคะจ้องมองภาพหญิงชราแบบสายตาไม่กระพริบซึ่งก็เช่นเดียวกับหญิงชราผู้นั้นค่ะก็จ้องมองน้องปูไม่ลดละเช่นกันขณะเดียวกันก็ค่อยๆย่างก้าวเข้ามาหาร่างของน้องปูใกล้เข้ามาทุกขณะ ซึ่งความคิดในขณะนั้นทำให้นงปูบอกกับตัวเองทันทีนะะว่าหญิงชราผู้มาปรากฏให้เห็นอยู่ต่อหน้านี้จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากโอปติกะหรือว่าวิญญาณของหญิงชราที่เธอไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนมันก็เลยทำให้เธอถึงกับชา ว, ว่าไปทั้งตัวพร้อมกับความรู้สึกหวาดกลัวที่พุ่งทวีสูงขึ้นเกินคาบรรยายใดๆทางที่กลัวจนสุดชีวิตนะคะแต่ว่าในที่สุดค่ะ น้องปูก็ตัดสินใจถามหญิงชราผู้นั้นออกไปบอกว่ายายยายเป็นใครมาทำอะไรที่นี่หญิงชราผู้นั้นก็เลยมองหน้าน้องปูแล้วก็ตอบบอกว่าฉันอยู่ที่นี่แหละอยู่มานานแล้วหิวข้าวไม่ได้กินอะไรเลยน้ำเสียงของหญิงชราแหบแห้งค่ะแต่ว่าก็ฟังดูเยือกเย็นสุดประมาณทั้งเสียงและก็ท่าทางของแกดูอิดโรยน้าสงสารแต่ว่าสาหรับน้องปูแล้วเธอก็รู้อยู่เต็มอกว่าแกต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่ ด้วยความสงสารค่ะก็เลยถูกกลบเกลื่อนด้วยความหวาดหวันพรั่นพึงจนหมดสิ้นในห้วงวินาทีนั้นสิ่งเดียวที่น้องปูสามารถทำได้ก็คือพยายามสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็แผ่เมตตาให้กับหญิงชราคนนั้นเพราะเชื่อเหลือเกินนะค่ะว่าหญิงชราผู้นี้จะต้องเป็นดวงวิญ ญ, ญาณที่หิวโหยแล้วก็การมาปรากฏตัวให้เธอเห็นในครั้งนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าต้องการให้เธอทาบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นั่นเอง ถ้าไม่ใช่ผีหรือว่าวิญญาณหญิงชราผู้นี้จะเข้ามาในห้องนอนของเธอได้อย่างไรกันในเมื่อประตูห้องก็ปิดแล้วก็ลงกรอนอย่างแน่นหนาขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังตัวของน้องปูเองก็ พยายามนะฮะที่จะปลุกคุณสายชนผู้ที่เป็นพี่สาวให้ตื่นขึ้นเนื่องจากตอนนั้นเธอกำลังหวาดกลัวจนแทบจะเป็นบ้าอยู่แล้วแต่มันก็ไม่สำเร็จนะคะเพราะไม่ว่าจะพยายามปลุกพี่สาวอย่างไรคุณสายชนยังคงหลับไหลไม่ได้สติเช่นเดิมเมื่อเป็นเช่นนี้ค่ะน้องปูก็เลยตัดสินใจบอกกับหญิงชราผู้นั้นไปบอกว่ายายไปก่อนเถอะนะแล้วหนูจะทาบุญไปให้สิ้นเสียงของน้องปูที่บอกออกไปค่ะ ร่างของหญิงชราผู้หิวโหยก็ค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาทิ้งไว้เพียงแค่ร่างของน้องปูที่ยังคงนอนตัวสานงานงกด้วยความกลัวจนแทบสิ้นสติและไม่สามารถข่มตาให้หลับลงได้อีกเลยจนฟ้าสางน้องปูก็ได้นําเรื่องที่ตัวเองประสบมาเล่าให้คนในบ้านฟังในตอนเช้าพร้อมกับบอกเล่าให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงถึงเหตุการณ์ระทึกขวัญที่เธอเจอมาเมื่อคืนก็เลยได้ทราบนะคะว่า ที่ดินบริเวณที่ปลูกเป็นบ้านพักพนักงานแห่งนี้เดิมทีเป็นของสองตายายคู่หนึ่งเมื่อหลายปีก่อน2ตายายอยู่ด้วยกันเพียงลําพังสองคนไม่มีญาติไม่มีลูกไม่มีหลานต่างคนต่างดูแล ก, กันและกันเพียงสองคนค่ะจนกระทั่งได้ตายจากกันไปในที่สุดตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านละแวกนั้นก็มีคนหลายคนนะคะได้พบเจอกันปรากฏตัวของวิญญาณคุณยายอยู่บ่อยๆคนละแวกนั้นรู้ประวัติของตายายเจ้าของดั้งเดิม ก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าส่วนใหญ่จะมีแต่การปรากฏกายของวิญญาณคุณยายแต่เพียงผู้เดียวแต่ว่าไม่มีใครเคยเห็นวิญญาณของคุณตาเลยสักครั้งหนึ่งซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าวิญญาณของคุณยายยังคงล่องลอยอยู่บริเวณแถวนั้นเพื่อตามหาคุณตาอย่างอดโซแล้วก็หิวโหยเนื่องจากไม่มีญาติก็เลยไม่มีใครทาบุญไปให้ก็เป็นได้นะคะ คุณผู้ฟังคะปัจจุบันสถานที่ที่เคยเป็นบ้านพักคนงานที่น้องปูและครอบครัวเคยอาศัยอยู่ก็ได้กลายเป็นโรงงานอุนตสาหกรรมเครื่องยนต์ไปแล้วน้องปูบอกนะคะว่าหากใครที่อยู่หรือว่าทํางานอยู่โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องยนต์แห่งนั้นและเคยพบเห็นการปรากฏกายวิญญาณหญิงชราผู้หิวโหยขอได้โปรดช่วยกันทําบุญกรวดน้ําไปให้แกด้วยเพราะเธอเชื่อค่ะว่าวิญญาณของคุณยายเนี่ยอาจจะยังอยู่แถวนั้น วิญญาณของแกอาจจะเป็นวิญญาณดวงที่ทรมานที่อดโซและก็น่าสงสารที่สุดในละแวกนั้นสำหรับน้องปูแล้วนะคะเธอบอกว่าทุกครั้งที่เธอทำบุญตักบาตรเธอก็ยังคงนึกถึงดวงวิญญาณที่หิวโหยของคุณยายอยู่เสมอและเธอก็จะกรวดน้ำอุทิศกุศลไปให้วิญญาณของคุณยายในทุกๆครั้งที่เธอมีโอกาส เพราะเธอเชื่อแล้วนะคะว่าเรื่องผีหรือว่าเรื่องวิญญาณ น, นั้นมีอยู่จริงเนื่องจากเคยมีประสบการณ์จากเหตุการณ์เมื่อครั้งเผชิญกับดวงวิญญาณของหญิงชราขณะที่ตัวเองนอนอยู่ภายในห้องนอนของตนแบบจังๆนะคะ แต่ว่าใครจะสามารถสัมผัสกับดวงวิญญาณเหล่านี้ได้อย่างเธอบ้างก็เท่านั้นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่บีนามาฝากคุณผู้ฟังประจำวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอให้เราด้วยและที่สำคัญเลยนะคะอันนี้ถือว่าขอละกันเนาะขอขอขอขอนยคะขอทุกวี่ทุกวัน กดติดตามช่องพระเจอผีด้วยแล้วก็ถ้าเจอโฆษณาขึ้นมานะคะจะมีใครใจดีดูโฆษณาให้เราจนจบบ้างหรือเปล่าเพราะนี่คือผู้สนับสนุนรายเดียวที่เรามีอยู่ประจำช่องนี้วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ